พระธรรมมทศนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจภูทีสามเรียบเรียงโดยอินสมชัยชุมพูปเปรียธรรมหกประโยคน์ําเอกอดีตเจ้ากนาจังหวัดเจีงยงไยนะโมตัสสะภะคะวะโตอระราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เตนาคาตัดสาวจาดังสุดตานาคารันโยสันทิ่กังเวเกนกันตัวติสาธุดุราสัพุริจตังลายตังยิ่งใจม่วนหมู่อันนั่งอยู่ดาฟัง นี่ใหญ่ยังไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาว่าพิกาเวดูราภิกุตั้งลายอันเป็นสายอารีญาเจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมอันว่าน่าหนาำใหญ่น้อยในยินท้อยกําจาแห่งยักษ์ขายาบจ้ามาจากป่าดงตันเขาเอากันรีพา ไปไว้ต้าอหอใจทุนสาไรบอกแจ้งตามกำแห่งยักษ์ขาว่าขา้าแด่มหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุริบัตรนิมียักษ์ใหญ่ฤทธิใจสามานกำจ่าหันลายลาตัวมันฝากกรรมมา ว่าขอมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าเวียงใจสเสด็จไปอย่าจะไปเล่นต่อตามากสักกาที <c oughs> ่ศาลาไปนอกคนวันออกเวียงเราบัดนี้แดเต็ม <c oughs> เมื่อนั่นพญ า, านาตนองอาจฟังโอกาสทุนสาบบโคทาซาตานบ่คิดยันสันใด้เต้ามีใจจื่นสู้ป้าห ม, มูมณทีตตั้งเสนาบาดีอาหมาัดผู้ฉลาดกองทาลงห่อคำมวลหมู่ ออกไปสู่ศาลาติยักษ์ขาหยาบจ้ายังอยู่ท่ากองหันมีใจมันจมมากจิงออกปากจะทม <c oughs> ด้วยกำงามทวนที่วาสหายลูกตีได้มาผ่าธานาใขา่ใดของเขื่องใจอันใด จุงจะใครบอกกาวฮือหูข่าวตามมีว่าอันตีนั้นยักกุ่มพันหยาบจา้าเียตังถ้าเป็นคุณเขียวงาสูนออกปากตอบกำนาเกลียวพันว่าเราอยู่ดงตันป่าไม่ <c oughs> เราหากได้ยินว่าว่ามหาราชเจ้ า, ชาตนเป็นเก้ากนาคามีพระญาองค์อาจจบชาลาดด้วยส ก, กาเราจริงมาบ่จ้าใครเล่นต่อตาปันธานั้นแหละนะ ต้องสุดตากันได้ยินยากก่าตนตันเต้านาการาช จ, จริงจักตาต่อเปล่าว่าสหายเจ้ามาไกลเอาอันใดมาต่อเฮได้พอเล่งหันเป็นเครื่องปันธนั้ น, นั่นจา ยากดงดาตอบถอยว่าเรามีลูกน้อยเป็นสาวชมเปิงเป้าใจจ้าดังดังฝ่าเบื้องบนแม่นเราหุ่นปก้านบ่อแปท่านตามทำจากไปน้ำลูกเต่ามาถวายเจ้ารจา เป็นปาริจาริกาคาใจอยู่ตีไกตีมือกันตนบุญลือเจ้าฝ้ากันยังคาคนไก <c oughs> จากเอาอันใดตอบตาปันแกคานันเจ้านากะราจาตอบตานว่าแม่นเราการสหาย เราจักถวายภาษากแก้วมุกมัดนำนาตั้งเงินคำขาหลายแหลยืนปันแกสหายเรากวนหม่หือแน่นเอากี่แป้นเป็นธาระนั่นจาฝ่ายยักขาต้านต่อว่าแป็นหนึ่งพอจำลองแป้นที่สองบอดตาแป้นที่สามวาดลงตา กวนสัญญาเป็นแก่นเอาสีเป็นเป็นแดนและนะกันพญานาตนองอาจกับยักษ์เฮาหาดกุมพันปันทานั้นดังนี่แล้วอามาดแก้วต่างตาก็นำเป็นมากสกาอันใหญ่มาวางไว้สับปันก็มีหันและนะ คำว่าพญานาคลินยังบากสั ก, กาตามสัญญาว่าไว้กับยักษ์ใหญ่ดงตันยังบ่อตันจักใหญ่ก่อการไปยักษ์ขาเป็นถัดมาแถมเหล่าก่อกายักษ์เทาปุ่มลมเป็นทวนสามจักแก่กบอบ่แป้สันเดิมก็มีหันและนะ อันวายักตาปังไข่หัวดังคาค้าว่าเป็นเจ้าฟ้าเสียได้ผ้าญยาบผ้ายสักจ่าบ่อฉลาดเรีวไว้แปลนถัดไปเป็นแก่นหากเป็นแปนสุดปลายต้นยาไมยจักแก่เตียงบ่อแย้ตัวเราแนะนา โซปา น, านาการาจานวาพญานาฟังกำปากุมพันธ์มีใจตันต่ำก้อยเหือไหลย้อยเป็นสายยินลายนักแก่แม่นบอ่อเป็ยักขาตามสัญญาปันขาเตียงเสียภาสาสตรคำแดงตั้งเป็กแสงบอ่อน้อยแก่ยักถอยดงไพร ยินแก้นใจลายหลากพญานาคจริงอธิษฐานว่าเม็นสมปานจัดแล้วบ่อ ก, กาดแก้วยังมีอย่าได้ดีหลีกนามาจ่วยคาเร็วปันเหอกุ่มพันอยกากล้ได้กา้านไปบัดเดียวดเดตอ ขณาทิ่ทานดังนี้แล้วเต้าต้ตตนแก้วนากรารจาก็เล่นหมากสะกกาเป็นใหม่กับยักษ์ใหญ่กุ่มพันนาบุญหันต่อนายักหยาบจ้าดวงนาใดแฝมาสามแตนลวดกังแกนตัณใจพอตั้งไปบรรด หายใจตอดอื้อค้างน้ำลายจางง้มปากลวดกันผ่ า, านาหนกบัดเดียวก็มีหันแลนะ่นอาเล่นหนเดียวบ่อตาสัญญาว่ากฎหมายยักผีไผ่แบบสาวซ้ำเล่นเหล่าหนสองก็บ่อปองแปรได้คอเล่นไปหนสาม ยากปุ่มลามกการได้เหี่ยวมันเสียสีใจบดีว้วันร้อนไร้ปั่นไปไหนเหื่ อ, อย่างไครไหลออกตกลำหมกเกลืมม อ, อ ก, ลาการบ่อสำราญลำตีเล่นเป็นสีสุดปลายก็บอ่อไม่แปลใดการเต่าไทยนากระจาก็มีหันแน่น เมื่อนั้นพญานาคตนเป็นเจ้าจริงตันเล่าไครจากับยคาตนใหญ่ว่าสัญญาไว้สันได้ตั้นจุงไปอยากจะเอาลหกกล้ามาปั้นหือได้หันเป็นแก่นถูกตัดแม่นตามกัมยาลืมลาเสียเล่ายังกัมเก่าสัญญา ตั้นหากมาบอมีกูเราบ่รู้หนทางตั้นจุงว่างละไว้ยังธนูใหญ่เตรียมใจกับสลีกันใจเทียนกาไปเอาลูกกลามาปันตินั่นยา ก, กุมพันเฮาหาตกไม่มาดไปในจริงจักไขตั้นเล่าว่าสายเจ้าบุญมี อย่าเครื่องขีดเดือดไม่กวัวบ่อใดตามคำคาจากน้ำลูกเตามาทาวายเจ้าราเจ้าตามสัญญาว่าไว้ <c oughs> บ่อใดสูญหายกันอยักภาย้กล่าวแล้วก็วางธนูแก้วเตียมใจกับสรีกันใจเขียนกาหือแก่เจ้าฟ้านากระจา แล้วก็ลาเมื่อส่ยังที่อยู่แห่งตนในไฟสนป่าไม้ที่จิมไก่อยู่กันทอนแล้วป้าใสสมอนลูกเตางามบ่อ้าวสุวรรณนรังสีผู้มีลังคาณีองค์อาจดังดังนาศสาวสวรรค์ไปยกปันโนปทาแก่พญาณากตามคำก็มีหันและนา ตามัทถงประกาศเซ้นตสัทธ า, า, าสัทธาสัพ ป, ปัญญุตนวิเศษหันห้องเหตุบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสมาวาโสปานาญัญโขดังนี้เป็นตน พีข้าเวดราพีกุสงตนทารงสินใสสะอาดอันววายักเฮาหาตุมพันการปันทานันพญานาคบ่อแจ้งปากกำได้ก็วางสลีกันใจวิเศษตัวดาวเขตเข่งขามกับถานูงามใจจ้าเตจะกาสิงสา แกนาการาชยศใหญ่ฮือเอาไว้แตนตนแล้วก็หนปอกเต่าไปตีเก่าดงไพร <c oughs> เรียวตั้นใจบ่จ้ากับเปดนาเป็นคนมีตัวตนองค์อาจขึ้นภาษาเจียงคานาบ่บานหม่นไม้เขานั่งไกสุนันตา แล้วใครจะบอกเราแกนังนอนาต่ามีววาดูราชมสรีนาไทยพี่ร้อนไหมนานำย้อนเวนกำปางกอนมาไหลตอนตัวตันหื้อได้พันจากห้องลงสู่ต้องปทวีถึงปุรีเมืองนา ไปเล่นบากสกากับพญายดใหญ่กดบอก่อควายเป็นธาราลงสัญญาจุดานว่ากันนาักันหลายตีจากคือปุรีภาษาตั้งนางนาดหมูสะดมแก้วดมกามาของติผากเลือลาย วางยังใหญ่ตุกตีหื้อแก่ปีนำมาแม่นนากราจาผาแป่ปีจักแกปันธนันอสะลีสุวรรณลูกเตาไปถวายเจ้านาคาบัดนีน้านาแปะปีจักแก่ปันธนัน เอาจอมควันลูกน้อยนาจื่นจ้อยโซผ้านปีญารักมากไปหืหนักตามคำแลนะนา <c oughs> ต่งสุดตานางสูนันตาหยดซอยได้ยินทอยฝัวควันหายใจตันกับปีบดังเปื้นนีบกับฟ้า น้ำตาดว่าไหลาลังตักแกนกังไปในกวัวสายใจลูกน้อยกากรดกไก่ตาสีหาบ่เล้ยวยังลูกแกว้วญิงเดียวอยู่ดงเขียวป่าไม้บ่อนอยกากลรเครื่องขี่ไปอยู่ปุรีต่างดาวา ้องเข็เต้าแดนไก่ลูกใสใจนอนเต้าเตียงโศกเศร้าเครื่องกานังสุนันตานอไทยจริงน้อมวบผัวขวัญว่าเราอยู่ดงตันป่ากว้างไผ่บ่ออ้างมาเตึงบ่อสมเพลิงพี่เจ้าจักเอาลูกเต้าไปจู <c oughs> กวนอินดูโลกลาอย่าหฮือภาคนานีไก่บ่มีไผจักรูยยังตี้อยู่เราราถึงสัญญาไว้แล้วก็บอกกวนเอาโลกแกวไปปั่นนั้นเลยนะ วันธีนั้นอยักกุมพันธ์ตานต่อว่าดูราเมียรักหนอสายตากำลังจากเก่าปีหักรู้จูภาาักาันปีหักสีบวัวบานโลกตเตาเทียบเตรียมเตาหัวใจกำได้ไข่เป็นแก่นไม่เมียแน่นสัญญาปีสีเนฮารักยิ่งกว่าเมียมิ่งและบุต ธ, ธา เสียโฟก้าจังมาเสียแผ่นพาเงินคำเสียนานำก็แล้วปีโบหืกาดแก้วสัญญาสัจจว่าจานั้นเล่าหากเป็นเก้าตังดีปีโบนีกาผากออกห่างจากสัจจะว่าจากเลยนะ กัญญาคากาวแล้วก็บกแกลูกแก้วสุวรรณรังสีไข่ตามีแต่เก้าเอลูกเต้าจูผักการนางลงคานน้อยนอกก็เก่าตอปิตาว่าคาแดปิตาเป็นเจ้าค้าลูกเต้าขอจ้า ข้าเกิดมาแต่น้อยบ่อรู้ถอยกำได้ถึงมีไว้ขึ้นใหญ่รู้แจ้งไขนานาเหตุปิตาและแม่เลี้ยงข้าแต่ดีๆคุณพ่อมีลายลาคุณแม่มากเดือดลายแม่นจักไขหรือข้าแม่นแจ้งดาบุปตีจักขับนี้จำจาก ข้าลูกขากินดีจะเอาไปเป็นตาสีข้าใจเรือเอาไปแหลกไทยเงินคำข้าบ่มีกำต้านต่อสุดตีปอหันเปิงและนะโสปานะยักขออันว่ายักปู่เท่าอาจทำได้ยินคำลูกน้อยไขย่เกาท้อยกำงาม แม่นตาตามรีดเก่าอันนักผาเจ้าสอดมาจริงจักจ่าต้านต่อกับลูกนอหญิงเดียวว่าโดราชมชาเหลียวลูกแก้วนางก่าวแล้วกําได้หากแม่นใจกูปอบต้านต่อเครื่องกาทรมาดาว่าไว้ว่าลูกน้อยใหญ่หญิงใจ มีใจภายเพื่อแผ่เลี้ยงพ่อแม่แต่นคุณย่อมเป็นบุญอันกว้างนักผัดอังสักเสริญนย่จวดเขินวิตขาดลูกเต้าอาจอาสาแสวงหามากำตั้งขานำเงินคำยกเกนตั้มพายแผ่ฮือพ่อแม่ใจบ้านยามบ่สำรานเมื่อยไข้ลูกอยู่ไกลเอาใจ แม่นย่ห่อใจภาสาตบ่รามาตลาสายังก้องหาพ่อแม่บ่เวนแหว่ขึ้นวันพิจารณาหันคำเจ้าเป็นดังเจ้าเตวดานบปูจาจะใจเตียนยอมได้สดสดีกันอินทีกาภาคดับจิตจากเมืองคน ย่อมเอาตนไปเกิดที่ผาเสดเมืองบุนแม่นเกิดเมืองคนไปนาบ่อตมจ้าสามานเม่นใจหานกะยาบบ่อสุภาพตามทําบ่อฟังคำพ่อแม่บ่อเพื่อแพ่ตามมีเอาตนนี้บ่อไกล ยำเวไครรวยแรงบ่ยำแยงพ่อแม่มักก่าวแก่เตียนควันบ่กุดหันคุนเก่าเตียนย่อมเข้าอาบาย <c oughs> กันกับกายมาเกิดเอากำเนิดเป็นคนย่อมตะรุนร่อนไม่บ่หอนได้เป็นดีเลยนะ กัญญาคากาวแล้วก็อฮือโลแก้วชมสรีผัดับนีวิเศษด้วยเครื่องเตจอลังการเขื่องขวากันจูสิ่งมีการยิ่งจูอันอันอันกุมพันธ์บาไปในระบิดไวจู่พักการ นางนงคานัดน้อยงามเจืนจ้อยสุวรรณรังสีตุกเครื่องขีหลายแหล่ร่อนไร้แพ่ภายในน้ำตาไหลบกขาดนโนบกมวาดวันตาขอสุมายังแม่ว่าคาเดแม่สายใจกำอันใดเป็นบาปบ่สุภาพตามทําลูกกะตำหลวงแล้ว แกแม่แกอมาด้าขอคุณนะาายพโพดอดงดตอดวางตั้อยาเป็นกรรมบาปกาติดจองค่าตัวไปแม่ใส่ใจเป็นเจ้าเลี้ยงลูกเตาเดิมอ่อนคือหลับนอนอาบน้ำจูมือพั่มลุมลาแม่อดสาฟักเฟือ่อ ใจไฟเอือตั้งวันใจแม่พันบ่อผากดทุกยากน่าน้ำบ่อมีกคำน้อยใหญ่บ่กดไม่บุบติย่อนเว้นมีจัดแล้วบ่กัดแก่ออกมาปั้นลูกบ่ตั้นจักใดเลี้ยงแบ่ไทยแตนกุล เวนป้อยนุนจากลาคือได้ภาคไก่ตาคอมาดาเป็นเจ้าอย่าโศกเศร้าเครื่องขี้จุงอยู่ดีจ้าใจอย่าเมื่อยไข่นาวในแต่นี่ไปไปนาแม่นบุญค่าวิลายบ่อตกหายถอยจ้จ <c oughs> เกี่ยงใดปอกนาขึ้นมาบ่าอยาจ๊ะแหละนาะ วันวานสาูนันตาตนแม่โกตุกแกนักนาจริงจักจะตอบท้อยแกลูกน้อยอยิ่งเดียว <c oughs> ว่าดูราตาเขียวเฮืลูกเต่าวิบากเก่าเรามีเฮือได้เนจจากห้องไปตกต้องแดนไก่ขอใส่ใจลูกละจุงอวัยนาไปดี อย่าได้มีพยาติมมาต้องปาดสันดานแม่นสมปานปางกนบ่อเสียงผ่อนสูนหายจุงมายายแวดไกลฮือโลกใดตีขาฮือปอกมาอย่าจะได้หันหนาเร็วปันแดดเตอ้อ สวนยา ก, กุ่มพันต้นป่อขี่ข้านต่อเหมือนไปจริงเรียวไว้บอจ่าปลาลูกลาสายตาลงผังกาษ า, าตสอันงามอดใส่สีด้วยฤทธิอันมากก็ถึงเมืองนากบัดเดียวเก็ะมีหันแลนะนา โซนาการาอันวาพญานาตนองอาจกองเฮื อ, อามาตต่างตาตีสัญญาเป่าร้อง <c oughs> ไปตัวห้องเวียงใจเฮือไผ่ไตจูโฟกับเป็ดอยู่เป็นคนตัวสะกลเบื้องใหญ่เนระมิดไข่เร็วปัน <c oughs> แล้วเอากันตั้งหมูเข้าไปสู่คุ้มหลวงนากปันปวงใหญ่น้อยได้ยินถอยสัญญาเขาโอมาโนมานาสะไสกับเป็ดได้เร็วปันแล้วเอากันตั้งหมูเข้าไปสู่หอคคำ มีนานำบอน้อยย้ายยาถอยเดือตานากระจาตันเต้ากอตันเก่าไขจาว่าดูราตันตั้งลลยเฮยมวลโมกกาอันโยเวียงใจแต่นี่ไปไปนานงนอลาสุวรรณรังสี จากมาเป็นเตวีน้อยนาดอยู่ภาษาคำแดงสูจุงทะแหล่งตั้งหมู่กับเป็ดอยู่เป็นคน <c oughs> ตัวแห่งหนเมืองใหญ่ภัยยาได้ลาสาทุกเวลาคำเจ้าเป็นคนหนุ่มเทายิงใจกันกฏหมายบอกแลว้ว <c oughs> เต้าตอนแก้วนากราจากเ็เฮเสนามวนมากออกไปจากเวียงใจฮับสัลีดงไวหน่อเน่าแหนแห่เข้ามาเมืองโยธาเรื่องหอร้องดังมีกองเวียงใจจุ่มภัยไต้ใหญ่น้อยปูกกล้วยอ้อยจอมตางเป็นมหาปัางอันใหญ่ โจผู้ไฟใจบ้านเล่นสำราญซาซาอนั้นไข่าดาวผู้รีก็มีหันเลยนะ <c oughs> สวนยักษ์อส่วนยักษ์กุมพันใบบอดกันไปรอดหอใจก็เฮใส่ใจลูกเต้าแก่เต้าเจ้านากระจา ตามสัญญาว่าไว้บ่หือใดเสียกรรมเจ้าหอคำนากรารธาตุ น, นางนาาสุวรรณรังสีราคาดีผาเสดงามลำเลิดเดือตาบีสีนิหาข้าคอยใจจ่องหอยแป้งปันจริงขึ้นปันบ่าจา้า ยังธนูกาเตรียมใจกับสลีกันใจวิเศษแก่ยักษ์เพชรนองนาแล้วอุตสาพิเศกอติรกมงคลยังนางตามนดาดน้อยคือเป็นยอดซอยเตวีสเวสีเลือดแล้วอยู่ผาสาดแก้วเจียงขานตามโบราณแต่ก่อนบอกคือผันสูนหาย นากตั้งลายนมเท่าหันเต้าเจ้าปุรีได้เตวีนาดหน่อยงามจื่นจ้อยบัวไข่เขาขมีใจจื่นสู้หอร่องอยู่นันเนืงองก็มีหันแลนะ <c oughs> อันว่ายักกุ่มพันบาใบากันว่าใดเกินมายังสัทธาวิเศษภาพตุกเขตสัตว์ถูคือกงธนูลำเลิศ ดาบเล่มผ่าเสดสเลกันใจวีหัวใจผ่องแผวกอลาโลแก้วสายตาตั้งพ้าญาเคยใหม่จะใจเก่ากำดีและอกกอดีเมื่อสูญยังตีอยู่แห่งตนในไัยสนปากวางตีจิมข้างอยู่กันทนก็มีวันนั้นแลยนะ เนติตังขีญาสังวั น, นานาวิเศษจาห้องเหตสังสินธนุใจผูกทวนสามลำดับตามแต่เก้าขอลมเทายิงใจอันดังย้ายเป็นมูกอทถาอยู่ฟังไปกอบังกมสมริจเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล